ก็เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ตามธรรมเนียมหรือประเพณีก็เรียกวันนี้ว่าวันโกนแต่ที่นี่นอกจากเป็นวันโกนแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นวันกรรมกรด้วยคาว่าวันกรรมกรนี้ก็ยืมมาจากสนโมกนะสนโมก ก็กำหนดให้วันโกนปวันกรรมกรเป็นวันที่พระทั้งวัดนะรวมทั้งไม่ชี้ญาติโยมที่พอมีกำลังนะก็มาร่วมกันทำกิจส่วนรวมด้วยการใช้แรงงานบางคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติทำไมมามี งานการแบบนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นทำให้เสียเวลาการปฏิบัติทำให้เสียเวลาการภาวนาที่จริงการทำงานอย่างนี้แหละก็เป็นภาวนาได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติถ้าคนที่เป็นนักภาวนาก็ย่อมรู้ว่าการภาวนานี้เนี่ยหรือการปฏิบัติ มันไม่ได้จํากัดอยู่ที่การอยู่ในลานจงกรมหรือการสร้างจังหวะหรือการนั่งหลับตาทําสมาธิแต่ว่ามันกลมกลืนอยู่กับกิจกรรมการงานต่างๆโดยเพราะการใช้แรงงานหรือการทํางานแบบกรรมกรนี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างดี สมัยที่หลวงพ่อชานะยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็พอถึงวันจะเป็นวันโกลนก็ดีหรือวันธรรมดาก็ดีบางทีท่านก็พ า, าพระเนนทำงานก็ทำอยู่บ่อยด้วย มีคราวหนึง่งแล้วก็ชวนพระเนนข น, ขนดินนะเพื่อไปสร้างอุโบสถก็มีวัยรุ่นนะอยู่สองสาคนมาเห็นก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็เลยพูดกับหลวงพ่อชาว่าทำไมไม่พาพระนั่งสมาธิทาไม พาพระทำงานอยู่เรื่อยเลยหลวงพ่อชา้างก็ตอบว่านั่งนานๆคี้ไม่ออกว่ะท่านพูดอย่างนี้ทีแรกนั่งนานๆคี้ไม่ออกว่ะแล้วก็ทาก่านอธิบายว่าการปฏิบัติหรือการภาวนาเนี่ยนั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่เดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องนั่งบ้างทำงานบ้างทำความรู้ความเห็น ให้ถูกต้องทุกเวลานาทีอย่างนี้ถึงจะเรียกเป็นการปฏิบัติถ้าไม่รู้เรื่องการปฏิบัตินี่อย่าพูดนะมันขายขี้หน้าเขาอันนี้ท่านก็พยายามปรับความเข้าใจนะของอชายหนุ่มกลุ่มนั้นให้รู้ว่าที่ท่านพาทำหรือที่พระเนนกำลังทำนั้นเนี่ยนะมันก็คือการ ปฏิบัติเหมือนกันมันคือการภาวนาเพราะการภาวนาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับอรียบทใดอรียบทหนึ่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับใจนะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเราดูจิต ด, ดูใจของตัวเองหรือเปล่าตามดูรู้ทันนะความรู้สึกนึกคิดที่เกิด ข, ขึ้นภายในไหม ระหว่างที่ทำเนี่ยรู้สึกตัวหรือเปล่านะรู้กายที่กำลังทำรู้จิตที่กำลังนึกคิดปรุงแต่งหรือเปล่านะยิ่งมาทำงานเนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีเลยในการดูใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับใจเนี่ยมันมักจะเป็นความไม่พอใจความหงุดหงิดนะ เพราะว่าต้องอใช้แรงบางทีก็เจอแดดบางทีก็โดนฝนบางทีก็เห็นการกระทําของเพื่อนไม่ถูกใจไอ้ส่งิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้ลวโดนแล้วแต่เป็นอนิจฐารมนะคือเป็นเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่ทำให้เกิดความขุนเคืองใจ คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้ทันความรู้สึกเหล่านี้ไม่รู้ทันอารมณ์เหล่านี้นะมันก็ปล่อยใจให้จมอยู่ความทุกขนะ์ทำไปก็ทุกไปนะไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจก็เหนื่อยไม่ใช่แค่ทุกข์ที่กายใจก็ทุกข์ด้วยซึ่งมันก็เท่ากับซ้าเติมตัวเองแต่ถ้าใครได้เห็นตรงนี้นะ จะได้ประโยชน์มากเลยว่าโอ้นี่เราพลาดซะละนะปล่อยใจให้ไปไปจมอยู่กับอารมณ์หรือปล่อยให้อา น, นิทรารมนี้มันมากระทบใจให้วันไหวสมัยที่ท่านอาจารย์พรมวังโสยังเป็นพระบวชหมายถ้าเป็นพระจกอังกฤษนะก็ความรู้สูงมากนะจบปริญญาตรีด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ มาไทยมีชื่อในอังกฤษแล้วก็มาอยู่วัดหนองประพงศ์ก็มาอยู่แบบปปาวันหนึ่งหลวงพ่อท่านให้ย้ายนะย้ายกองกองดินกองหินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วท่านก็บอกแล้วท่านก็ไปนะไปทุลาที่อื่นพระนี่พระเนนทั้งวัดนะก็ทํางานกันขนดินขนถินกัน เรียกว่าเป็นวันๆเลยแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะสองหรือสามวันด้วยแด่ก็ร้อนเหงื่อก็สมงกายพอย้ายเสร็จผู้ช่วยเจ้าว่ามาบอกมาไม่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่ตรงนี้มันต้องย้ายไปตรงนั้นพระเลยก็ต้องพากันขนกันใหม่เนึ่อว่าจะได้พักต้องพากันขนย้าย หินย้ายดินกลับไปอาไปอีกจุดหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วหลวงพ่อชากลับมาันท่า น, นก็บอกว่าตรงนี้ไม่ถูกมันต้องย้ายกลับไปที่เดิมนะก็ต้องเสียเวลากันอีกเป็นวันๆ น, นะที่จะขนย้ายนั้นปมมางส่วนนี้ไม่พอใจมากนะไม่พอใจว่าไอ้แค่ทำงานก็หนักแล้วยังต้องมาเจอกับการ ความผิดพลาดในการประสานงานนะเจ้าวาสั่งอย่างหนึ่งผู้ช่วยเจ้าวาสั่งอย่างหนึ่งก็ไม่พอใจนะขนดินไปก็บ่นไปนะ่าทำไมไม่ประสานงานกันให้ดีทำไมทากันแบบนี้นะทั้งวัดวุ่นวายกันไปหมดนะเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้จักพูดคุยกันให้รู้เรื่องแล้วเรื่องการศราสนานเรื่องใหญ่เรื่องโตจะทาไงว่าไปโน่เลยนะ ทำไปก็บ่นไปอยู่ข้างในก็มีเพื่อนพารูปหนึ่งท่านเห็นนะเห็นสีหน้าเห็นอาการเนี่ยก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของท่านพระมวังโสก็เลยพูดท้วงขึ้นอกว่าเนี่ยปัญหาท่านเนี่ยคือคิดมากไปเท่านี้แหละนะท่านรู้ตัวเลยนะรู้ตัวแล้วว่าเนี่ยใจนี่กำลังจมอยู่ในอารมณ์แล้วและรู้เลยว่าเนี่ยทำอย่างเนี้ยยิ่งทายิ่งทุกข์ แต่พอวางอารมณ์นั้นได้นะหยุดบนกลับมามีสติรู้ตัวเราก็ว่าไองานที่มันหนักๆที่ทำให้บ่นวายๆเนี่ยมันกลายเป็นเบาไปเลย <S <S <ๆ>หินที่เคยหนักนะมันกลายเป็นเบาไปเลย <S <S 1> <S 1> แล้วก็เลยรู้ว่าที่มันหนักเนี่ยนะเพราะว่าใจที่บนนั่นเองยิ่งบนเท่าไหร่หินหรือทรายที่ขนก็ยิ่งหนักนะแต่พอ หยุดบนกลับมาเป็นปกติมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทนได้ทําได้ไม่ได้จุ่งยากอะไรเลยทัานก็ได้บทเรียนนะท่านก็ได้เห็นใจของตัวเองเนี่ยจากอะไรนะก็จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจที่มันบ่นโวยวายตีโพยติภายบางทีคนเรานี่จะเห็นใจตัวเองได้ดีนี่ก็ตอนที่มันเกิดความทุกข์นะไอตอนที่เกิดอิทธารมเจออารมณ์ที่น่าพอใจ จนกระทั่งเกิดความสุขความเครื่อนเพิ่มลงไหลเนี่ยไม่ทันหรอกนะแต่พอเกิดความทุกข์เน่าหรือเกิดแรงเสียดทานเนี่ยมันได้เห็นใจของตัวเองและตรงนี้แหละนะคือภาวนาได้เกิดขึ้นแล้วนี่อย่างที่ได้บอกนะว่าให้การทํางานนิดก็เป็นภาวนาได้นีหลวงพ่อชาติท่านเคยพลาดมาแล้วนะที่เคยเข้าใจว่าเนี่ยการภาวนาเรื่องนี้ต้องหมายถึงทําได้แค่การ อาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเท่านั้นเวลาท่านเย็บผ้านี่ยท่านก็ทําด้วยความรีบความรนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาการปฏิบัติเนี่ยอยากจะทําให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปไปภาวนาตอนหลังถึงได้รู้ว่าพอหลวงพ่อหลวงปู่กินนรทักทวงก็เลยได้รู้ว่าการเย็บผ้านี่มันก็ภาวนาได้ก็คือดูใจของตัวเองไปนะ เวลาใจมันร้อนใจมันรนมันอยากจะให้เสร็จเร็วเราก็รู้ทันมันไม่ใช่ปล่อยให้มันครอบงําใจเล่นงานจิตใจให้เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ได้อะไรนะอันนี้เรียกว่าขาดทุนนะก็คือทําด้วยใจที่เป็นทุกขนะ์แล้วก็ไม่ได้อะไรจากาสิ่งที่ทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าการทํางานอย่าง ที่ใช้แรงงานนะอย่างที่จะทำในวันวันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นส่วนของการภาวนาเป็นส่วนของการฝึกฝนนะที่สาคัญนะไม่ว่าพระหรือแม่ชีหรือโยมเป็นวันที่พระที่ทั้งพรรษามากพรรษาน้อยทั้งพระพันเตพระนวกะมาร่วมกันซึ่งผลพวงอย่างงที่จะเกิดขึ้นก็คือนะการที่ได้ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมนะที่ผ่านมาเราอาจจะทำประโยชน์ส่วนตนนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าการทำประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นส่วนของการภาวนาเหมือนกันทางพุทธศาสนาเรียกการทำอย่างนี้ว่าอัตจริยาหรือว่าวัยวัณจะไมวัยวัณจไมคือบุญที่เกิดจากการทำเพื่อส่วนรวม พระจัดว่าอันนี้เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ไหมายถึงการไม่เสดเมตุนธรรมหรือว่าการถือศีลแปดการ อ, อย่างเดียวเท่านั้นพรหมจรรย์ในในพุทธศาสนามีความหมายกว้างการให้ทานก็เป็นพรหมจรรย์ได้นะการมีคู่และพอใจในคู่ครองเรียกว่าสัทธารละสันโดษก็เป็นพรหมจรรย์ได้ รวมทั้งการทํากิจเพื่อส่วนรวมก็เป็นพรหมจันทร์เพราะพรหมจันทร์ความหมา ย, ยาจริงๆก็คื อ, อการกระทำอันประเสริฐนะพรหมก็คือประเสริฐจันร์จ์ก็คือจริยาการกระทําหรือการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐก็เรียกว่าพรหมจันทร์แล้วความประเสริฐอย่างหนึ่งของการดําเนินชีวิตก็คือการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะหลายคนพอภาวนามากๆหรือว่าพอหลีกเล่นปลีกตัวมากๆ ก็ไปก็ค่อยๆลืมเรื่องของส่วนรวมไปเนะื้อเรื่องส่วนตัวมากเกินไปอันนี้ก็กลายเป็นว่าคาดชื่อนจากการภาวนาไปเพราะาชีวิต ท, ที่ดีงามนะก็เป็นชีวิต ท, ที่ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างนะท่านถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนและถึงพร้อมด้วยประโยชน์ท่านอัตตะแล้วก็ป ร, ะระะัตตะ อัตถะคือประโยชน์ตนซึ่งสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรจยังเกิดปัญญาหลุดพ้นจากความทุกขนะ์จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดกรุณาเพราะว่าความเห็นกระตัวไม่มีลงเหลือแล้วดับไม่เหลือจิตใจก็แผกกว้างก็ทำให้เกิดปรัตถะคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเกิดกรุณาพระปัญญาคุณและกรุณาคุณของผู้เจ้าก็แสดงออกมา ในรูปของอัตถะประโยชน์ตนและปรัตถะประโยชน์ท่านนะคราวนี้ในเมื่อเราได้ภาวนานเพื่อมุ่งประโยชน์ตนแล้วนะก็ควรเผื่อใจในทางที่บาเพ็ญประโยชน์ท่านด้วยมันจะช่วยขยายใจของเราให้แผ่กว้างออกไปไม่งั้นก็อาจจะติด ก, กับดักของนักปฏิบัติจำนวนมากที่ สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตนนะละเลยประโยชน์ส่วนรวมไปบางทีไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนรวมแค่ประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่สนใจอย่างมีคนหนึ่งไปภาวนาไปปฏิบัติถุที่วัดหนึ่งแล้วน้องชายป่วยหนักเป็นมะเร็งไม่มีใครดูแลโรงพยาบาลก็ดูแลจนกระทั่งกลับไปที่บ้านได้แต่กลับไปที่บ้านแล้วก็ต้องมีคนดูแลแฟนสาวมาดูแลก็ถูกพี่สาวไล่ออกไป เพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกันสักหน่อยนักก็แค่มาดูแลกันก็ไปหาว่าเขาผิดสี่งข้อที่สาอันนี้พอไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เป็นเลือกพี่สาวคนนี้แหละนักปฏิบัติธรรมนี่แหละใหมาดูแลน้องชายแจก็ปฏิเสธบอกว่าฉันกาลังปฏิบัติธรรมให้เขาก็เขาทํากรรมเขาไว้ก็ให้เขารับกรรมไป อันนี้เป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่านะสำหรับชาวพุทธเป็นความเห็นที่ถูกหรือเปล่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะคือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไม่สนใจแม้กระทั่งน้องที่กำลังป่วยความกรุณาก็ไม่มีนะไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นน้องชายของตัวเองที่ริงปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีความกรุณามากกว่าคนทั่วไปนะคนทั่วไปนี่ ถ้าใค ร, ม, ใครมีใครมาขอร้องแบบนี้ก็ต้องไปลนะเพราะเป็นน้องแท้ๆ แ, แต่นี่ปฏิบัติธรรมกับมีเหตุผลนะมีข้ออ้างว่าไม่ไปช่วยมั น, นไม่ใช่ข้ออ้างอย่างเดียวแต่เพราะใจนี่ไม่ไปด้วยใจไม่ได้นอนไปทางนั้นเพราะว่าทําไปทําไปเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เข้าใจผิดด้วยว่าไอาการปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่แต่ในวัดนะาการดูแลน้องนะ ดูแลคนป่วยคนไข้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่กับน้องคนเดียวกับใครก็ได้เพราะว่าการดูแลนี่ต้องอาศัยทั้งอาศัยคุณธรรมหลายข้อมากทั้งกรุณาทั้งขันตินะทั้งวิริยะนะทั้งสติสารพัดจะธรรมะธรรมะทั้งหลายแหละก็ต้องถูกระดมมาใช้ในการดูแลคนป่วยนะเพราะฉะนั้นเะนี่ยนะนะนะ ในการที่ม า, าทําประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะฝึกใจเราให้อ่อนโยนนะเ <m> พื่อที่จะไม่ไปตกกับดักอยู่ในความเห็นแก่ตัวซึ่งนักปฏิบัติจํานวนไม่น้อยนะพลัดตกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ตัวเมื่อเราเข้าทําเพื่อส่วนรวมแล้วนะจิตใจงเราก็หรือว่าเมตตากรุณาก็มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จัก อย่างน้อยแม้มันมีการต่อสู้ขัดขืนจากความเห็นงก่ตัวภายในไอการขัดเกลาวตรงนี้นะให้มันเบาบางลงก็ยิ่งเป็นการปฏิบัตินะที่มีอ น, นิสงส์มากเพราะช่วยทำให้ความเห็นงก่ตัวลดลงลผลพลอยได้มีอีกเยอะนะความรู้จักกันในหมู่สงฆ์ความรู้จักกันในหมู่แม่ชีหรือนักปฏิบัติการทางานนี้เราก็ไม่ได้ คุกคลีกันนะแต่ว่าเป็นการที่ได้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันบางทีพระหลายวัดอยู่กันเท่าพรนศานี่ไม่รู้จักกันเลยถ้าไม่รู้จักกันไม่พอมันก็นําไปสู่ความเหินห่างแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันแต่การทํางานร่วมกันที่มันก็สามารถที่จะดึงผู้คนได้เข้าหากันแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วเกิดมิตรภาพขึ้นมาได้นะถ้าหากว่าทําเป็นนะจะหากท่าไม่ดูจิตดูใจ มันก็อาจจะกลายเป็นนําไปสู่ความขัดแย้งการทะเลาะเบาแหวงกันได้ซึ่งนั่นก็เป็นบทเรียนของนักปฏิบัติที่ต้องแก้ไขเมื่อดูใจของตัวเองแล้วเห็นใจของตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขให้มันถูกต้องนะอันวันการมาทํางานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นถือว่าเป็นส่วนของการปฏิบัติอันนี้เคยเพราะว่าทําไมนะถึงแม้อ่า ว่าเราจะมีเงินนะแต่เราก็ไม่ได้จ้างคนมาทำงานอย่างที่เราจะทำในวันนี้เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญมันไม่ได้ที่ผลสำลิดภายนอกอย่างเดียวแต่เรามุ่งถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจกอให้เกิดคุณภาพจิตที่เป็นกุศลในใจของผู้ทำด้วยนะมันก็เหมือนกับบริษัทหลายบริษัทนะ ที่เขาอยากจะสนับสนุนการปลูกป่าที่ภูหลงหรือที่ว่าที่นี่อย่างบริษัทแปลนก็ดีบางจากก็ดีนะเขาก็อุดหนุนนะการปลูกป่าที่ภูหลงแต่ทําไมเขาไม่ส่งเงินมาเพื่อจ้างคนมาปลูกป่าทําไมเขาถึงส่งพนักงานส่งเจ้าหน้าที่ มาปลูกป่าเองให้การส่งเงินมาเพื่อจ้างคนมาปลูกป่าอันนี้เนี่ยมันง่ายกว่าเยอะนะใช้เงินน้อยกว่าเยอะแต่ทําไมเขาถึงส่งคนมาศัพท์ ส, สู์ให้เจ้าหน้าที่มาปลูกป่าทั้งที่ใช้เงินเยอะกว่านะใช้เงินเยอะกว่าแล้วก็ใช้เวลามากกว่าด้วยเพราะว่าเขาต้องการฝึกนะ ให้การปลูกป่านี่แหละเป็นการฝึกนะคนทำงานของเขาเจ้าหน้าที่ของเขานะให้ให้มีสปิริตของจิตอาสาแล้วก็ให้ได้มารู้จักคุ้นเคยกันนะ <c oughs> ถ้าหากว่าอวิธีนี้เนี่ยนะมันใช้เงินมากกว่าก็จริงแล้วบางทีการต้นไม้ที่เกิด ตนมาที่ผลงานก็อาจจะไม่ดีเท่าจ้างชาวบ้านมาปลูกป่าแต่ว่าเขามุ่งความมุ่งสร้างคนด้วยนะไม่ได้มุ่งแต่ปลูกป่าอย่างเดียวมุ่งสร้างคนเพื่อให้มีสปิิัจิตอาสาเพื่อมีความสมัคคีกกันก็นะเหมือนกับพ่อแม่นะแม้จะมีเงินนะแต่ว่า แทนที่จะให้คนใช้มาทำโน่นทนํานี่ก็ให้ลูกทําเองบางทีก็ให้ลูกทํามาหาบางทีก็ให้ลูกทกําทกวาดทาความสะอาดบ้านนะตัดหญ้าทําไมพ่อแม่ไม่ให้คนงานทําหรือไปจ้างคนมาทําสิ่งเหล่านี้ซะเองมันทําได้ดีกว่าด้วยแต่พ่อพ่อแม่เห็นว่าอยากจะฝึกลูกนะให้เป็นคนที่รู้จักพึ่งตัวเองได้ ให้รู้จักเห็นคุณค่าของการใช้แรงงานหรือว่าให้เกิดความเพียรพยายามให้รู้จักพึ่งตนใ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมีคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้ตัดต้นไม้ตัดญ้านี่ใช้เงินจ้างได้แต่การจะปลูกความเพียรพยายามปลูกคุณธรรมในใจของตัวเด็กเนี่ยเงินมันสร้างไม่ได้เงินมันซื้อไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่บางทีพ่อแม่หลายคนก็ไม่เข้าใจนะมีโรงเรียนหนึ่งนะเขาก็สอนลูกสอนนักเรียนนะให้รู้จักหุงข้าวเองนักเรียนชั้นประถมมันนะให้รู้จักหุงข้าวเองให้รู้จักทํากับข้าวเองแล้วก็ทําความสะอาดในโรงเรียนในห้องของตัวเองด้วยพ่อแม่บางคนไม่เข้าใจนะไม่พอใจต่อว่าโรงเรียนว่าใช้ลูกของตัว เ, เนี่ยเหมือนกับคนงาน ใช้ลูกตัวเมื่อคนงานคือก็เห็นว่าเนี่ยลูกเขาไม่ควรมาทำงานแบบนี้นะที่จริงโรงเรียนก็สามารถจะให้คนงานมาทำได้แต่ทำไมไม่ทำก็เพราะต้องการฝึกเด็กนะฝึกเด็กฝึกนักเรียนให้มีความสามารถให้รู้จักพึ่งตนเองสิ่งที่เขามุ่งหมายไม่ได้ผลลัพธ์ภายนอกเช่นห้องที่สะอาดนะหรือว่าอาหารที่อร่อย แต่มุ่งที่ความเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเด็กตรงนี้พ่อแม่แล้วคนไม่ค่อยใจเลยไม่อยากจะให้ลูกมาทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นงานที่นอกจากจะเสียเวลาเรียนแล้วจังเป็นงานที่เสียศักดิ์ศรีนะเป็นงานของคนใช้นะซึ่งอันนี้มันก็ถอสะท้อนทัศนคติที่ผิดนะว่าใหการทำงานแบบนี้เนี่ยเป็นงานที่น่ารังเกียจที่จริงเนี่ยไปเป็นงานที่น่าสนับสนุนด้วย คนไทยเราเกียรติมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะเนื่องาะคนที่มีการศึกษามีเงินไปเห็นว่าการทํางานแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจดูถูกคุณค่าของการใช้แรงงานซึ่งแตกต่างจากเมือง น, นอกนะประเทศเขาจเจริญ น, นี่เขาจะให้คุณค่าให้ความสําคัญกับการใช้แรงงานการทํางานไม่ไม่ดูถูกกรรมกร โรงเรียนของฉือจี้เนี่ยมีชื่อมากในเรื่องของคุณภาพของเด็กทั้งในเรื่องความรู้และจริยธรรมแล้วเขาก็มีทำเนียบแบบหนึ่งซึ่งแปลกดีสำหรับคนไทยคือใครที่เรียนเก่งนี่เขาก็จะมอบหมายงานที่มีเกียรติให้นั่นคือขัดห้องน้ำการขัดห้องน้ำนี่เฉพาะนักเรียนที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้นที่จะมีมีเกียรตินะทำงานนี้ได้นักเรียนที่เรียนไม่เก่งนี่ไม่มี สิทธิ์นะที่จะมาทําความสะอาดห้องน้ำนะเกียรตินี้เขามอบให้กับเฉพาะคนที่เรียนเก่งเพื่ออะไรนะเพื่อให้ให้เห็นว่าอ ง, งานแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่น่าดูถูกเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการลดละตัวตนของนักเรียนด้วยนักเรียนที่เรียนเก่งบางทีก็เกิดอัตราตัวตนนะยิง่งเมตาตัวตนสูงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งจําเป็นต้องไปฝึกขัดเกลาก ด, ด้วยการไปขัดห้องน้ํา ทำความสะอาดห้องน้นะํำให้เรื่องแบบนี้นี่ให้คนงานทําก็ได้โรงเรียนก็มีคนงานเยอะให้คนงานทําก็ได้แต่ทําไมต้องให้นักเรียนทําโดยแล้วก็นักเรียนที่เรียนเก่งด้วย <c oughs> ก็เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะของเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านี่คือเหตุผลนะว่าทําไมอถึงแม้วัดเราจะมีเงินนะ แต่เราก็ไ ม, ไม่จ้างคนมาทํางานอย่างที่เราจะทํากันในวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มุ่งที่ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมหรือความสําเร็จที่เป็นผลภายนอกนะแต่มุ่งที่ให้เกิดการฝึกฝนภายในให้เรียนรู้นะจากการทํางานแบบนี้แล้วก็เพื่อทําให้เกิดความให้เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คนที่ทํางานด้วย ไม่ว่าจะเป็นนวกะรไม่ว่าจะเป็นพันเตนะมาทำงานร่วมกันก็จะเกิดความรู้ จ, จักการเข้าข้เข้าใจกันแล้วก็จะเอื้อเฟื้อกันได้อย่างไรนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเราบางทีเราไปเข้าใจว่าความเรียบง่ายนะหรือว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันต้องมันจะทาก็เฉพาะ เวลาที่ไม่มีเงินนะไม่มีเงินถึงจะมาทําที่อยู่เรียบง่ายนะก็เพราะว่ามีทรัพยากรจํากัดนะถึงอยู่จบบแบบเรียบง่ายอันนี้เป็นความเข้าใจของคนจํำนวนมากนะเคยมีมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะเป็นคนเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงมากเคยพูดว่าทำไมพระเราต้องฉันมือสองมือด้วยสมัยพุทธกาลเนี่ยอาหารมันหา ย, ยาก นะแต่ตอนนี้อาหารมันหาง่ายแล้วไม่ควรจะให้พระอดอาหารในเวลาวิกาลควรจะให้พระฉันอาหารในเวลาวิกาลได้ด้วยคือฉันสามมื้อได้ด้วยคือเข้าไปเข้าใจว่าที่พระฉันสองมื้อหรือมื้อเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีข้าวจะฉันนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะถึงแม้จะมีอาหารเยอะอาหารบริบูรณ์จ้าดย่มบริบูรณ์ แต่ว่าความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ควรมีนะรวยแค่ไหนก็ควรจะอยู่แบบเรียบง่ายในเศรษฐีหลายคนในอเมริกาในในยุโรปนี่รวยมากเลยนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยบางคนนี่บริจาคเงินไปนแล้วสองสล้านบาทนะแต่ว่าใช้นาฬิกาเดือนละสี่ร้อยกว่าบาทสี่กว่าบาทนะก็ไม่กี่ดอลลาร์นั่งรถเมย์นั่งรถไฟ นั่งรถตายินใช้บริการคนส่งส า, ารานณะไม่มีรถส่วนตัวคำถามคือทำไมเขาทำแบบนี้ในเมื่อเขาก็สามารถที่จะซื้อโ o l ล็กซื้ออเมกส้สวมใส่โชว์คนอื่นได้ซื้อรถราคาแพงๆพอเขาเห็นคุณค่าของความสันโดษคุณค่าของความเรียบง่ายก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาเรื่องเงินที่เหลือไปทาอะไร เยอะแะเปหมดก็ไปบริจาคเนี่ยบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนทํามาแล้วสองแสนล้านบาทนี่เราก็จะทําต่อไปัน้นความไปอยู่แลบเรียบง่ายของเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาจนไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญญาซื้อแต่เพราะก็เห็นคุณค่าของความเรียบง่ายแล้วก็เมือกับหลายคนมีเงินซื้อมีรถเงินซื้อรถยนต์แต่ยังขี่จักรยานไปทํางานอันนี้เห็นได้เยอะเลยนะในในยุโรปนี่ ขี่จักรยานไปทํางานเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทเคยไปที่ฮอลแลนด์เมืองอัมสเตอร์ดัมนี่โอ้จักรยานเต็มเมืองเลยถามว่าใครขี่จักรยานนั่นไม่ใช่นักศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะคนงานกรรมกรเท่านั้นผู้จัดการเจ้าของบริษัทขี่จักรยานไปเพราะหนึ่งมันสะดวกแล้วพอสองมันเขามไม่ต้องการอวดมังอวดมีเนีย ใความเรียบง่ายซึ่งเป็นคุณธรรมหนึ่งของพระเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าจนไม่ใช่เพราะไม่มีปัญญาจะจะอยู่ให้ดีกว่านั้นได้นะแต่เพราะว่ามันเป็นคุณธรรมในตัวถึงแม้จะมีเงินถึงแม้จะมีปัญญามากมายก็ไม่ทำนะเพราะว่าให้ความสดวกสบายนี่มันกลับจะกลายเป็นตัวบัรทรนะบัรทรคุณธรรมหลายอย่างในใจิตใจ อันนี้ก็ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าหาว่าคนถ้ า, าว่าพ่อแม่นะหรือว่าผู้ปกครองนี่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเา ก, ก็จะสอนลูกให้มีรู้จักอยู่แบบเรียบง่ายถ้านั่งที่มีปัญญาจะทําให้ลูกนี้อยู่สบายกว่านี้ได้แต่ว่าก็เคี่ยวเข็นให้ลูกเนี่ยรู้จักพึ่งตนเองรู้จักช่วยตัวเองได้เก็บที่นอนเองทําความสะอาดเอง หรือว่าซักผ้าเองอันนี้คนไทยเดี๋ยวนี้มักไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจก็ไปคิดว่าเนี่ยให้ของพวกนี้เป็นงานงคนใช้ก็ให้คนใช้ทําเราไปในเรื่องความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมากไปจนลืมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในเน่จากการทํางานแบบนี้เพราะในงานกรรมก ร, รเนี่ยนะมันถึงแม้ว่าว่าเราจะมีเงินแค่ไหนก็ยังควรมีบันกรรมก ร, รต่อไป แล้วก็ควรทำนะํำเพื่อก็ให้เกิดเพื่อเป็นศูส่วนของการภาวนาการฝึกฝนแต่แน่นอนงานบางอย่างนะมันก็อาจจะ อ, อาจจะไม่ถูกใจคนบางคนบ้างเห็นถ้าเราเข้าใจาความมุ่งหมายของการทํางานแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ปรับความเห็นของเราให้ถูกนะการทํางานแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์มากนะ ทังเป็นประโยชนต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการขัดเกลาหรือการฝึกปฏิบัติของเรานะแต่ว่าถึงแม้จะทํางานที่ความทุกข์มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะถ้าหากว่ารู้จักมองรู้จักรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักวางนะกลับปรับใจใเป็นปกติได้นะอย่างที่หลวงพ่อชาติใช้คำว่าให้รู้ให้ทําความรู้ความเห็นให้ถูกต้องทุกเวลานาที เมื่อใดก็ตามที่ทุกข์ใจเนี่ยแสดงว่าความเห็นไม่ถูกต้องวางใจไม่ถูกแล้วมันเป็นสัญญาณฟ้องว่าทําความเห็นไม่ถูกต้องทํำวางใจไม่ถูกต้องก็ต้องปรับให้มันถูกต้องซะด้วยการมีสติความรู้สึกตัวเอาละชาติี้ก็พูดกันทุนนี้อ่อกราบพระ